ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่เราพระพุทธญาณในวันนี้คงมาสืบต่อเรื่องธรรมจกกักรปัฒนสูตรต่อไปคือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคมาโดยลำดับก็ทรงอธิบายขยายกรอบของเรียสัตย์แต่ละข้อมาโดยลำดับแล้ว ก็มาทรงแสดงถึงหลักการที่ทำให้พระองค์ได้จัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติพัฒนาพระไทยสืบต่อกันมาจนถึงจุดหนึ่งที่พระไทยมีความบริสุทธิ์ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสเป็นพระไทยที่อ่อนควรแก่การงาน จึงเกิดอาการอย่างหนึ่งที่ส่งใชยในที่นี้ว่าลูกอรพิสูจทั้งหลายจะคุได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี้เป็นทุกขสัตว์เป็นได้ควรทําความเข้าใจกับคำห้าคา จึงโดยความหมายจริงๆแล้วก็ได้แก่ผลรวมของสมายญาณออผลรวมของสมาธิทิตจนถึงสมาธิที่เมื่อปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียรแล้วก็เกิดเป็นสมายญาณคือความรู้ในทางที่ชอบเกิดผุดขึ้นภายในประทัยของพระองค์แต่คำที่ทรงใช้ในที่นี้ก็ใช้ถึงห้าหกาคำด้วยกันคำแรกก็คือจักขุได้เกิดขึ้นแล้ว ตำวมาจักขุนั้นแปลว่าดวงตาโดยความหมายจริงๆไม่ได้หมายถึงตาเนื้อเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในที่นี้หมายถึงตาปัญญาที่เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์จักขุนั้นจำแนกเอาไว้เป็นห้าประการด้วยกันคือมังสะจกสักษุจกักษุคือดวงตาได้แก่ดวงตาเนื้อ ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าดวงตาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นดวงตาที่มีคุณภาพสูงสามารถมองเห็นภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนในสมัยที่เป็นพระราชกุมารมองชัดเจนยังไงในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าทรงกระจนมายุพรรษาถึงแปดสิบปีแล้วก็มองชัดเจนอย่งังไเป็นปจกสุทิสยัยบริสุทธิ์เป็นผลที่ทรงแสดงว่าเกิดขึ้นมาจากการ บริจาคดวงตาให้เป็นทานคือช่วยเหลือบริจาคดวงตาในแนวตรงนี้เวลานี้เรามีพวกสูน์เนื้อเยื่อหรือการบริจาคดวงตาความสัมพั์ชาติต่างๆเป็นต้นตลอดถึงบริจาคเลือดเนี่ยเป็นทานระดับอุปบารมีคือหมายความว่าเหนือกว่าทานปกติธรรมดา การที่สาระสามารถสละวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของตนเองเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายเนี่ยแสดงถึงจิตใจที่มีความเข้มแข็งมีความเสียสละแล้วก็รู้ถึงสาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตเพราะว่าดวงตาเราเมื่อเราตายไปแล้วมันก็ไม่ได้ใช้สอยอะไรบางคนส่วนมากก็ไปกลัวว่าถ้าไปบริจาคดวงตาแล้ว เกิดในชาติต่อไปตาจะบอดเาเป็นความเชื่อที่แปลกซึ่งโดยหลักความเป็จริงแล้วอะไรก็ตามที่เราให้ไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกรร ม, มัชรูปคือกรรมที่นำไปสร้างรูปหรือกิตตัจรูปจิตที่นำไปสร้างรูปให้มีความประนีตขึ้นพระนั้นคือบุญคือกุศลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงผลของการกระทำความดีต่างๆเช่น สุวรรณตาการมีพิพันธ์สวยงามสุสรตตามีเสียงไพเราะสุสันทานางังมีสวดทรงสมส่วนสุรุปรตามีรูปงามอย่างเนี้ยทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากบุญญาณิธิขุมทรัพย์คือบุญที่บุคคลได้กระทาเอาไว้เพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วการบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเพื่อเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเมื่อเราตายแล้วหรือว่าบางคนที่ใจเด็ดเดี่ยวอาจจะบริจาคไตตัวเองอาจจะบริจาคดวงตาตัวเอง แก่คนเึ่งตัวคารุบรักเนี่ยมันเป็นทั้งบุญทั้งขุนแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะด้วยอานิสงส์ที่บริจาคดวงตาเป็นทานของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้พระเนตรของปรุงปองใสแยมใสมองอะไรไม่พาม้ามัวชัดเจนอยู่ตลอดตาต่อไปก็เป็นตาปัญญาในที่นี้ก็ทรงแสดงขึ้นมาเหมือนกันนะครเมื่อปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วคำว่า าปัญญาในที่นี้เป็นปัญญาระดับโลกุตระเป็นปัญญาที่เป็นผลรวมของการปฏิบัติตำหลักอริยสัจทั้งสี่ประการคือปฏิบัติตามรมรรคทั้งแปประการนั่นแหละทำให้เกิดปัญญาเห็นชอบในอริยสัจทั้งสี่ประการเกิดเป็นญาณขึ้นมาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจเหล่านั้น วนคำว่าญาณเนี่ยแปลว่าความรู้ที่เกิดผุดขึ้นเป็นผลสรุปรวมของอริยมรรคเี่ยงแปประการที่ปฏิบัติจนเป็นมรรคสามังคีคือเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันแล้วก็ทำให้พระพุทธองค์ได้รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงคือรู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อ ถ, ถึงความดับทุกข์ ตนี้เขเรียกว่าสัจจญาณคือรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรในระยะศาสตร์ทั้งสี่ประการนั้นประการที่สองก็คือกิจญาณรู้กิจที่ควรทําในระยะศาตร์แต่ละข้อว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทุกที่ควรกําหนดรู้นั้นเราได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้ว ในร่วมที่ควรทําให้แจ้งได้ทาให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วพวกนี้เป็นวิยพจน์กับคําว่าปัญญาคือมายความมาใช้แทนกันได้บางครั้งเราพูดปัญญาเครื่องศัตรูบางครั้งเราพูดว่า ญ, ญาณ ค, ค, คือว่าคําทั้งทั้งห้าคำในที่จริงเป็นวิยพจน์กันคือใช้แทนกันแต่ว่าในด้านจัตรุนั้นผู้ทังปัญญาจากักรุ กสู่คือปัญญาคือความรู้เห็นถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าได้แก่รู้หลักอริยรสัจสี่ดังกล่าวแล้วหรือว่ารู้สัตว์และสังขารทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงคือสภาพธรรมดาของสัตว์และสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นยังไงก็รู้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลดละ ถ, ถ่ายถอนตัณหามานาทิฐิออกไปจากจิตใจของตัวเองได้ไม่คล้องไม่ยึดไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น โดยกรอบโดยเนื้อหาสาระจริงๆก็รู้ไปจนถึงญาณทั้งสามประการดังที่กล่าวแล้วนั่นเองแล้วก็มีพุทธพุทธที่จักสุพุทธะจักสุคือจักสุของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำให้ทงรู้เห็นถึงธรรม ท, ที่เป็นสัจธรรมโดยทองแท้แต่แก่การโดยผลของการจัดสรู้ แล้วก็ความสมบูรณ์พร้อมของอะไรมักไปองแปดประการดังกล่าวนั่นหนึ่งแล้วก็ทิพย ป, ปจกักษ์สุคือตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่ต้องการได้แม้สิ่งนั้นจะละเอียดอย่างไงก็ตามคือรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก็รู้ด้วยประธาตสัมผัสทั้งตัณโมดของพระองค์ได้แล้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือสมัญแตจกักษุเป็นตัวประสพพันยุตยานที่ทําให้พระองค์ได้จัตสรู้ ผลคำเหล่านี้จึงเป็นไวยโพน์ของกันและกันวิทยาหรือวิชาเนี่ยวิชาก็ได้แก่ความรู้ที่เกิดผุดขึ้นโดยผลรวมของอะเรมาส์ทั้งแปดประการต่งางเนี่ยก็บอกว่าวิชาเกิดขึ้นวิชาดับไปนัมนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปจากประทไทย วัฏวิชาที่บังเกิดขึ้นก็ทำลายอาวิชชาเมื่ออวิชชาถูกทำลายไปในี่สัพพกิเลส ท, ทั้งหลายที่มีชื่อต่างต่าก็ชื่อว่าถูกทำลายตามไปด้วยว่าจะเรียกว่าโลภะตัสามโมหะริษยาอาฆาตพยาบาทอะไรก็ตามก็ถูกทำลายตามไปด้วยนี่ก็เป็นผลมาจากการบำเพ็ญเพียรให้สมบูรณ์ในอริยมรรคเป็งแปดประการนั่นเองเพราะตัวการหลักตัวเหตุหลักเนี่ยคืออริยมรรคเป็งแปดประการ ที่ในที่อื่นเนี่ยอาจจะเรียกว่าใจสิกขาบ้างเรียกอื่นอาจว่าสัมมตัตตะบ้างแต่ว่าในที่นี้ก็สงเรียกแค่ตัวเหตุตัวเหตุเพียงแปดประการแต่ว่าเหตุเ ห, เหล่าเนี้ยเมื่อปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาคือตัวสมายานเกิด ค, ความรู้ในทางที่ชอบแล้วก็ทําให้รู้เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงโดยนิย่าที่กล่าวแล้วในตอนต้นเพราะงั้นแสงสว่างที่บังเกิดขึ้นเนี่ย ก็คือตัวปัญญาที่ขจัดตัววิชาออกไปนั่นเองเพรา ะ, ะคาทั้งหมดเหล่านี้ย จ, จึงถือว่าเป็นวยพจน์ของกันและการได้เรียกได้ไ ด, ได้ได้แก่สมายานะคือความรู้ในทางที่ชอบเมื่อถึงสมายานะความรู้ในทางที่ชอบแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากกำนาของกิเลสและเพลิงทุกข์โดยประการต่างๆตอนทงแสดงเต็มรูปา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 ใอ้ธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังแล้วในการก่อนว่าะทุกษัตรินี้นั่นแลอันเราละอันเรากำหนดรู้แล้วเราก็ดูก่อนพิสูจทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วอย่างได้เกิดขึ้นแล้ววิชาปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาแล้วในการก่อนว่านี่คือทุกสมมุทัยอริยสัจ จากนั้นก็จะคู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างโดยทํานองเดียวกันนั่นเองได้เกิดผุดขึ้นแล้วก็รู้ว่าทุกสมุทัยอริยสัจนั้นควรละควรละสีให้ได้จากนั้นจะคู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นในสมุทัยโดยทํานองเดียวกันว่าทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแลเราได้ละแล้วหมายความประยาสามประการที่เกิดขึ้นเนี่ย กล่าวไว้ในตอนต้นว่าสัจญาณกิจญาณกัตตาญาณเนี่ยคือทําหน้าที่ในเริยสัจญาณละสามครั้งครั้งหนึ่งคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครั้งที่สองเนี่ยรู้ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อเริยสัจแต่และข้อครั้งที่สามเนี่ยรู้ว่าตนได้ทําอย่างนั้นไปแล้วเช่นส่วนทุกตนก็ได้กําหนดรู้แล้วสมุภูไทก็ได้ละแล้วนิโรธก็ได้ทําให้แจ้งแล้วมรติที่ควรเจริญก็ได้เจริญแล้ว หรืจะรู้ไปตามลำดับอย่างนี้แต่ว่าก็ทรงรับสั่งเล่าให้เห็นว่าตัวสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจากักขยานปัญญาวิชาแสงสว่างที่เกิดผุดขึ้นภายในพระไถยของพระองค์ผุดขึ้นมาจากอะไรทำกลางใจที่สงบปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานพระองค์ก็น้อมพระไถยไปเพื่อรู้และความรู้เกิดผุดขึ้นไปในพระไถยของพระองค์จากนั้นก็ เกิดขึ้นในนิโรธโดยทํานองเดียวกันคือเกิดขึ้นสามยานด้วยกันว่าบุคคลภิกษุทั้งหลายจะขุ่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแล้วในการก่อนวันนี้คือทุกนิโรธนิโรธอริยสัจแล้วก็จะขุญยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ว่าในธรรมที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้ท่นแลวควรทาให้แจ้ง แล้จักคุยานปัญญาวิชาแสงสว่างนั่นเองได้เกิดขึ้นว่าทุกขกนิโรธอริยสัตว์นี้นั่นแหละเราได้ทําให้แจ้งแล้วพอมาถึงอริยมรรคก็จะผุดขึ้นโดยทํานองเดียวกันว่าจากักกุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยสดับมาในการก่อนว่านี้ทุกข์นิโรธคามิหนีปฏิปท า, าคืออาริยสัต คือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงซึ่งความดับแผงทุกแล้วก็จักุยานปัญญาวิชาแสงสว่างก็ได้เกิดขึ้นอีกต่อหนึ่งว่ า, าทุกสมุทัยไอ้ทุกกนิีโรตขามินีปฏิปทานั้นเป็นสิ่งที่ควรลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ได้กระทำไ ด, ได้ได้กระทาก็ได้จเจริญ ใ, ให้สมบูรณ์แล้ว รวมแล้วว่าเป็นญาณสามซึ่งเกิดขึ้นในรียสัตว์สี่แต่นั้นจึงทรงแสดงในตอนช่วงต่อมาเป็นการยืนยันในการศัสรูของพระองค์ว่ารูกรรพริศรุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิจารได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฝังแล้วในการก่อนว่า ก็ทุกกณีโรตการมินีปฏิปทาเริยสัตมนี้นันแหละอันเราจะเริญนแล้วและในที่สุดก็ทนสงสรุปสรุปว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้พระองค์ก็ปฏิญาณว่าเป็นนานทศมาสมุท tha ไม่ได้ไรับสั่งว่าทุกณ์พิสูจน์ทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วอย่างไรในเรียสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ของเรา ซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดพิสูจทั้งหลายเราได้ยืนยันด้วยตนว่าเป็นผู้ศัตรูพร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเรื่องศัตรูชอบไม่มีความศัตรูอื่นจะยิ่งไปกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทพยาดามานพรหมในหมูสัตว์ทั้งสัมภพรามเทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นคือหมายความว่าทายาทสามที่เกิดขึ้นในระยะ ส, สโดยนยติกาบมาแล้วนี่ไม่ได้เกิดขึ้น ภายในขอพระไทยของพระองค์จริงๆพระองค์ก็ไม่ปฏิญาณว่าเป็นอาหารตถัสมาสมุทภาพอย่างนั้นแต่ว่าเพราะว่าเมื่อปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรในเรียสัตว์สี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงได้ยืนยันตนว่าเป็นผู้สัจสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องสัจสรูชอบ มันมีความสัตย์รูอื่นจะยิ่งไปกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทพยาดามานพรหมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสำน า, าพราหมณ์เทพยาดามนุษย์ทั้งหลายก็แลปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับคำเริบคือการค้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นสมมติว่า คนด่าเราบางโอกาสเราไม่โกรธเราผนใจได้บนพืน้นกานอดทนเราได้เราไม่โกรธแต่วันหลังไม่แน่คนนั่นดา่าหรือคนอื่นดา่าเนี่ยอาจจะโกรธก็ได้ก็แสดงว่าเป็นการลดพ้นที่กำเริบได้ความรู้เรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางระดับเราอาจจะรู้แต่พอถึงจุดหนึ่งเราไม่รู้ก็แสดงว่าความรู้นั้นกำเริบได้ก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงเป็นไม่รู้ก็ได้สิ่งที่ลาแล้ว อาจจะเคยละได้ระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งก็ละไม่ได้เพราะในการปฏิบัติโดยทั่วไปเขาเรียกว่ามันแบ่งเป็นสองระดับใหญ่ๆระดับหนึ่งเขาเรียกอกุปธรรมคือกําเริบได้ระดับหนึ่งเรียกอกุปธรรมคือกําเริบไม่ได้นะกําเริบไม่ได้ต้องเป็นระดับพระยะบุคคลถ้าสามัญชนที่กําเริบไม่ได้นั้นจิตใจต้องเข้มแข็งจริงๆแต่ว่าแล้วต้องไม่มากนะต้องต้องละในเรื่องที่ไม่มากอะไรเท่าไหร่เด็ดสมมุติว่า แต่ัดสินใจเด็ดเดี่ยวไม่ยอมสูบบุหรี่ตลอดชีวิตอย่างนี้แม้จะเห็นบุหรี่ความอยากที่จะดูดบุหรีน่นี่ก็ไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นนั้นก็แสดงว่าเป็นการไม่กำเริบระดับหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นสมุดเชตถับบิมุตไม่ใช่เป็นสมุดเฉตติรัตนะฮะคืองดเว้นด้วยเด็ดขาดแต่ว่าเราทำครบทีเดียวสอย่างนี่ไม่ได้เช่นสมมติว่าเราไม่ละเมิดสีห้าตลอดชีวิตเนี่ย แบบเด็ดขาดเนี่ยถ้าเรายังเป็นปุตุชนเนี่ยไม่เด็ดขาดเราเพราะว่าเวลาอารมณ์มันมากระแทกกระทบกระทั่งกระเทือนเนี่ยมันกระทุ่งจนกระเทือนได้เหมือนกันคือเราอาจจะเข้มแข็งอยู่ได้ระดับหนึ่งมาถึงระดับหนึ่งมันใจจะเข้มแข็งไปไม่ได้แต่ว่าการหลุดพ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสคือตัณหาทั้งสามได้จริง แล้วก็ไม่กำเริบอีกต่อไปหมายความว่าจะไปเจออารมณ์อะไรก็ตามจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสที่มีการด้วยยุโยยวนโดยวิธีการต่างๆจากบุคคลทั้งหลายเนี่ยระท้ยของโรมก็จะไม่กำเริบไปอีกต่อไปจะไม่มีการแปรผันไปเป็นอย่างอื่นอีกต่อไปนั่นก็แสดงว่าเป็นอากุปธรรมคือไม่กาเริบ จึงเป็นอะรหังที่เราแปลว่าหักกมแห่งสังสารจักรลักษณะเหล่านี้ก็คือจริงๆก็คืออวิชาดับสังขารดับสังขารดับปิญญาณดับปิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนาดับอายตนาดับผัสสะดับผัสสะดับเบตนาดับเบตนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาฐานดับภพดับชาติดับก็ดับไปหมดเลยทั้งแถบเลยเพราะว่ามันมาจากหัวคืออวิชาเหมือนกษีษาอสรพิษเนี่ย งูที่ถูกตัดหัวแล้วก็จบสิ้นกันไอ้ตัวหางมันยาวเท่าไรก็ช่างมันนะไม่ต้องไปนับแล้วมันก็ตายแล้วรถไฟขบวนยาวเหยียดรถถดอดหัวรถจับออกก็เดินไปไหนไม่ได้แล้วเพราะในจิตใจของบุคคลเราก็เหมือนกันคือจาบใดที่กิเลสยังมีอยู่ในการนำไปสู่การหมุนวนเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตมามอานาจของกิเลกก็คงเกิดขึ้นมาได้แต่วันใดที่เราเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ เป็นการลาดได้โดยยานนะฮะอยากขูยานปัญญาวิชาแสงสว่างอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยก็ทำให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสนั้นโดยไม่กำเริบ อ, อีกต่อไปแล้วอายมันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายกรรมชาติในที่นี้คือความเกิดในกำเนิดทั้งสี่ประการนะรเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในสองกองของสกปรกเกิดโดยขุดขึ้นเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเป็นชาติเป็นกําเนิดทั้งสี่ประการพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดในกําเนิดอะไรอีกต่อไปแล้วเข้าถึงโลกุตรภูมิแต่ไม่มีโลกุตรภพในสังคมพุทธเราเรามีปัญหาเรื่องพระหันตายเกิดตายศูนย์เนี่ยเราพูดเรื่องตายเกิดตายศูนย์กันมากคือแทนที่จะใ ช, ญญจใช้ปัญญาพิจิณพิจารณาก็ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณา จะใช้ศรัทธาต่อบพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ยอมใช้ศรัทธาทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะหลักอะไรไม่ได้หรอกคือความเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมันต้องเอาให้ได้สักอย่างเป็นอย่างน้อยคือถ้าเราใช้ปัญญาเป็นหลักไม่ได้เราก็ใช้ศรัทธาเป็นหลักแต่ถ้าใช้ทั้งศรัทธาทั้งปัญญาให้สมานเสมอกันได้ก็ยิ่งเป็นการดีเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าตั้งแง่ตั้งมุมมาเฉย เร็นว่าพระพุทธเจ้าไปเกิดอยู่ในอายตนานิพานอยู่แดงนิพานอยู่เมืองแก้วคือนิพานอยู่อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการพูดตามความเชื่อถือซึ่งเราไปยอมใช้ใช้ความเชื่อถือในลักษณะนั้นแต่ถ้าเรามองเรงความจริงว่ามันเป็นไปได้ยังไงในเมื่ออวิชามันดับไปแล้วบุญบาปก็ดับไปแล้วนะฮะ ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรด้วยกิเลสกับกรรมแต่นั่นเองก็เรียกกิเลสกรรมบิบากการเกิดเนี่ยเป็นบิบาทคือเป็นผลรวมของกิเลสกับกรรมถ้ากิเลสกับกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็ดับตามไปแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมองในประเด็นตรงนี้หอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกพนวดเนี่ยเพราะไม่มีพระประสงค์จาก ให้ประสบความทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายโดยสรงมองเห็นในตอนนั้นนะฮะในตอนที่ขอนเสด็จออกประนวดว่าโลกทั้งหลายเนี่ยมีของเป็นคู่กันมีร้อนก็มีเย็นแก้มีมืดก็มีสว่างแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้เพราะงั้นเมื่อมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดเกิดทํายังไงต้องไม่เกิดถ้าเกิดแล้วก็พ้นแก่เจ็บตายไม่ได้วันประเด็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงการเกิด หรือไม่ให้เกิดอีกต่อไปในทางสารวัตราฏการเกิดเป็นเจ้าชายิตตะนั้นถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วการเกิดในพระชาติสุดท้ายที่เป็นเหตุให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไปเชื่อมโยงกับเรื่องอย่างหนึ่งคือการเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าเพราะโดยหลักการนั้นท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบรารมีมาจะทำยังไงก็ตาม ถ้าในตอนประสูตรยังเดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าวยังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้จัดสรู้ในชาตินั้นเพราะคนจะจัดสรู้ได้จะต้องเดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าเป็นบุพนิมิตเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าถึงพระชาติสุดท้ายแล้วเขาเรียกปัจฉิมภพวิกษัสะเป็นศาตร์ที่บังเกิดมาในชาติสุดท้ายไม่ต้องไปบังเกิดในกำเนิดต่างๆอีกต่อไปเพราะนั้นจึงทรงแสดงว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย อ่แสดงว่ายุติการเกิดยุติการเวียนว่ายในสังสารวัฏนิพพานจึงแปลว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกเพลิงกิเลสก็เป็นเอตได้เกิดแก่เจ็บตายนะฮรทีนี้เมื่อเพลิงกิเลสถูกดับไปเพลิงทุกจึงมีความเกิดเป็นต้นก็ดับตามไปด้วยทําให้พระพุทธเจ้ายุติการเกิดตั้งแต่วันที่สัตวรู้เป็นต้นไปทั้งขวางทั้งหลาย แต่รวมาพุทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงครั น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี